เอาไว้พระเห็นดอกกุหลาบก้านยาวๆนะรู้ว่าชมพูมา <c oughs> ยาวเหมือนเจ้าของ <c oughs> วันนี้โยมมาจากไหนกันกลุ่มนี้ออแม่ไปเรียนกับหลวงปู่หลอด <c oughs> อยู่วัดเสนาใครพามาล่ะใครพามานะไหนยกมือให้ดูหนะ่อย หลอโยอมเคยมาเหรอเคยมาไหมหรอแล้วใครพามาล่ะอ้าวหรอไหนใครต้นต่อหลวงพ่ออยากดูคนนี้เหรอทําไมรู้จักยังไม่เคยมามาครั้งแรกเนี่ยใครแนะนําใ ห, ให้ล่ะฟังฟังจากไปฟังจากที่วัดสังฆทานนะอ๋อมาจากวัดสังฆทานแจนสนองก็เก่งนะพระฟ้าน่ารักแจนสนอง อยู่แถวเซนาก็ไปเรียนกับหลวงปู่หลอดนะเคยเข้าไปไหมนะหัดพุทธโทหัดกรรมฐานเบื้องต้นก็พุทธโทไปนะอย่างอาจารย์สนองท่านก็ชอบให้พุทธโทเดี๋ยวนี้ยังสอนพุทธโทไหมอาจารย์สนองพุทธโทใช่ไห ม, มเราปรับนิดนึงแทนที่เราจะพุทธโทให้นิ่งนะเราพุทธโทแล้วเราคอยรู้ทันใจเรา พุดโทพูดโทไปนะขออาจารย์สนองอย่าพุดโทนานพูดเนนะโทนะอะไรนะพูดยังไม่สงบให้ดูจิตเราเออนั่นแหละนะนี่บางคนพุดโธยังไงก็ไม่สงบเนี่ยส่วนมากนะพุทโทรแล้วมันไม่ค่อยสงบจะรอให้พุทโทสงบแล้วไปดูจิตนะไม่ได้ดูเลยชาตินึงนะงั้นเอาใหม่ลองปับวิธีนิดนึง พุทโธไปดูจิตไปพุทโธพุทโธไปนะพุทโธแล้วใจแอบไปคิดรู้ว่าใจหนีไปคิดแล้วพุทโธพุทโธใจไปเพ่งอยู่ที่ลมหายใจรู้ว่าใจเราไปเพ่งแล้วพุทโธแล้วจิตใจฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านพุทโธแล้วใจสงบรู้ว่าจิตใจสงบพุทโธแล้วมีปีติรู้ว่ามีปีติพุทโธแล้วมีความสุขรู้ว่ามีความสุข พุทโธไปเรื่อยๆแล้วก็คอยรู้ทันใจของเราทั้งวันเลยพยายามฝึกไปทั้งวันพุทโธพุทโธไปใจหนีไปแฉลบซ้ายฉลับขวาไปอดีตไปอนาคตนะไปคิดไปนึกไปปรุงไปแต่งคอยรู้ทันใจเรื่อยๆนะครูบาอาจารย์องค์หนึ่งท่านเคยสอนบอกพุทโธใจรู้พุทโธ ร, รู้ใจ พุโทโธใจรู้พุโทโธรู้ใจไม่ได้แพ่พุโทโธเฉยๆพุโทโธเป็นสิ่งที่ใจไปรู้ข้าวพุโทโธเสร็จแล้วก็ให้รู้ทันใจตัวเองให้เราหัดพุโทโธคำว่าพุโทโธเนี่ยเป็นแค่ความคิดของเราพุโทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสิ่งที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจริงๆก็คือจิตนั่นเองจิตแหลรคือพุโทโธตัวจริง เพราะฉั้นเราหัดพุดโทโธนะเพื่อจะให้รู้ทันจิตของเราเองพุโทโธไปแล้วจิตหนีไปคิดก็รู้จิตสงบจิตฟุ้งซ่านรู้ไปเรื่อยๆนะฝึกไปอย่างนี้นะถ้าฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปเราจะดูจิตของเราได้ชํานาญจิตเราขยับเขยือนเคลื่อนไหวนิดๆหน่อยๆก็เห็นหมดเลยนะอันนี้สําหรับคนที่ชอบพุโทโธนะคนที่ไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ต้องไปยุ่งนะทางใครทางมันแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกบางคนก็รู้ลมหายใจ แล้วจิตหนีไปก็รู้จิตไปเพ่งลมหายใจก็รู้นีบางคนดูท้องพองยุบจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งท้องก็รู้จิตไปคิดเรื่องท้องก็รู้ทํากรรมฐานอะไรก็ได้แต่ทำแล้วให้เรียนเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจจริงๆริรู้ให้ถึงใจจริงๆถ้าเรารู้เข้ามาถึงจิตถึงใจเรานะใจเราจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมะาแต่ถ้าเราลืมเราดูไม่ถึงนะเราจะหลงไปอยู่ในโลกของความคิด จิตของเราก็จะกลายเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไม่ใช่พูดโทผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วกลายเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไปเพราะฉั้นจิตเราเนียจะมีสองแบบเดี๋ยวก็เป็นจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นจิตที่เผลอไปเป็นผู้คิดหลวงปู่เทศท่านเรียกจิตที่เป็นผู้รู้ว่าใจท่านเรียกจิตที่เป็นผู้คิดว่าจิตเรียกว่าจิตกระใจ นี่สัมนวนโมหานครูบาอาจารย์แต่และองค์ไม่เหมือนกันหรอกแต่รวมความแล้วก็คือเวลาเราหัดรู้จิตใจของเราเนี่ยจิตใจเราจะมี2แบบแบบหนึ่งคือเผลอไปคิดแบบหนึ่งคือรู้สึกตัวขึ้นมาเราะฉะนั้นเราคอดูใจของเราเดี๋ยวก็หนีไปคิดแวบพอรู้ทันว่าหนีไปคิดแวบนะมันจะรู้สึกตัวอัตโนมัติเลยจะรู้ว่าเมื่อกี้หนีไปก็รู้สึกตัวขึ้นมาเพราะฉะนั้น ฝึกไปเรื่อยนะพุโทโธไปแล้วใจหนีไปแล้วรู้ใจหนีไปแล้วรู้ฝึกอยู่เท่านี้แหละพอแล้วเนี่ยคนที่นั่งมีลูกประคาอะไรห้อยเนี่ยเห็นไหมใจหนีแวบไปแล้วใจมันไหลไปมันลืมตัวเองเราต้องคอยรู้สึกโยมเสื้อสีน้ําเงินอนะใจหนีไปคิดแล้วทราบไหมใจมันหนีไปให้รู้ลงไปอย่างเนี้ยให้รู้ทันใจของตัวเองไปเรื่อยๆนะ เดี๋ยวมีเบอร์ก็หาเบอร์มาติดๆหน่อยนะหลวงพ่อเรียกไม่ถูกนะไม่รู้จักมากันเยอะเนาะรัังาธานชมพูอย่าไปเศ้าหมองนะจริงๆแล้วตัวสัมมาวาจาเนี่ยมีองค์ประกอบหลายอย่างอันนึงพูดความจริงนะพูดประกอบด้วยเมตตาพูดรู้จักกาลเทศนะพูดสุภาพอ่อนโยน พูดเพราะว่าเห็นประโยชน์ที่จะพูดมีหลายองค์ประกอบนี้เวลาเราจะถือศีลให้บริสุทธิ์หมดจดเนี่ยต้องประกอบด้วยสติปัญญาเคยมีมาหลายรอบเป็นตัวอย่างให้ดูพ่อยกตัวอย่างให้ดูนะสมัยพุทธกาลสมัยพุทธกาลเนี่ยเคยมีพระองค์หนึ่งท่านนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมอยู่ก็มไม่รู้แล้วก็มีผู้ร้ายอะ่ะ ไปขโมยเข้ามาวิ่งวิ่งหนีตำรวจมาวิ่งหนีราชบุรุษตำรวจพวกนั้นตามฆ่ามัผู้รายเหมือนวิ่งผ่านพระพระมองเห็นนว่าโอ้มันไปทางนี้ละแล้วก็รู้เลยเดี๋ยวตำรวจจะต้องมาถามราถ้าบอกนะเขาจะวิ่งตามไปฆ่ามันทันนะ้มันจะไปจนมุมเนี่ยถ้าบอกไปเดี๋ยวพระก็รู้สึกคิวตี้ไม่บอกให้ก็ไปฆ่ากันเห็นเห็นอยู่แล้วว่าจะต้องฆ่ากันได้นะ พอท่านนั่งสมาธิอยู่ตรงนี้แล้วเห็นเขาวิ่งมาปุ๊บท่านเดินไปอีกที่หนึ่งไปเดินจงกลมอีกที่งไม่ห่างกันเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวถึงราชบุรุษตำรวจวิ่งตามมาถามพระคุณเจ้าเห็นผู้ร้ายวิ่งมาทางนี้ไหมท่าตอบว่าเราอยู่ตรงนี้ไม่เห็นเลยเราอยู่ตรงนี้ไม่เห็นมีใครมาเลยเนะนี่ยท่านก็รักษาศีลของท่านไว้ได้ หรือบางทีอีกเคสหนึ่งก็แปลกมีเพชฌฆาตคนหนึ่งนะแต่เดิมเป็นโจรแกมีคราวของแกสีแดงมีคราวแดงเ็าเรียกโจรคราวแดงต่อมาโดนจับแล้วก็เลยมาอาสาสมัครทำหน้าที่เพชฌฆาตแกฆ่าคนมาเยอะเลยตลอดชีวิตนะเป็นเพชฌฆาตตอนแกแล้วกเสษียนที่กเกษียณ น, นะเพราะถูกบังคับแกไม่มีแรงนะแกฟันคอเขาหลายทีกว่าจะขาด คนเห็นแล้วไม่ไหวทรมานนักโทษมากไปก็เลยให้แกเสียนแล้วกเสียนเลยแกก็เลยทำพิธีทำบุญคล้ายๆเริ่มต้นชีวิตใหม่เมื่อวัยใกล้ๆแปดสิบแล้วทำบุญเชิญพระสารีบุตรมานี่ธรรมเนียมของพระอินเดียยุคนน้นพอถวายอาหารอะไรเรียบร้อยแล้วท่านจะแสดงธรรมพอตอนแล้วท่านเริ่มแสดงธรรมเนี่ยเพชฌาตนีนะจิตใจกระสับกระสา บอกว่าเราเนี่ยฆ่าคนมาตลอดชีวิตเลยเราไม่คู่ควรกับธรรมะเพราะนั้นฟังธรรมะด้วยใจเล้าร้อนทุรนทุรายพระสารีบุตรท่านรู้ว่าราจิตตา น, นี้ท่านก็หยุดเทศท่านก็ถามเพชคฆาตเนี่ยถามว่าโย่อมตอนยมเป็นเพชฌฆาตไปฆ่าคนเนี่ยยมตั้งใจฆ่าเองหรือว่าพระราชาสั่งให้ฆ่า ตอนนี้แกก็เกิดเข้าใจผิดทันทีเลยพระสารีบุตรหลอกให้เข้าใจผิดนะหลอกแกแกเข้าใจผิดเลยโอ้พระสารีบุตรถามอย่างนี้แสดงว่าแกไม่บาปหรอกพระราชาสั่งให้แกฆ่านี่แกไม่ได้ฆ่าเองแกก็เลยบอกพระสารีบุตรบอกพระเจ้าปร์เซนที่โกศลสั่งให้ฆ่าผมไม่ได้ฆ่าเองหรอกแกต้องสำคัญผิดว่าแกไม่มีบาปอะไรเลยจิตใจแกสงบแกนั่งฟังธรรมไปเรื่อยด้วยใจที่สงบนะแกได้โสดาบัน เอาตัวรอดจากอบายได้เน่ <đ explained that speech> เรื่องการพูดนะอย่างหนึ่งคือเรื่องการวางจิตวางจิตให้ถูกวางจิตให้ถูก mm hmm. เวลาที่เราจะทำกรรมอะไรสักอย่างนั้นถ้าเราวางจิตได้ถูกต้องเนี่ยกรรมมันจะให้ผลแตกต่างกันเคยมีทหารคนหนึ่ง <c oughs> ไปถามหลวงปู่เทศหลวงปู่ผมต้องไปลบกับประเทศเพื่อนบ้านแถววดัดหลวงปู่เทศอ่ะ เราต้องยิงมันอะ่ะผมก็เป็นนักกรรมฐานนะจิตใจไม่มีความสุขเลยต้องไปยิงกับเขาไม่อยากยิงหลวงปู่ท่านบอกว่าอย่าไปคิดว่าเราจะไปยิงเขาให้วางใจให้ถูกว่าเราจะทำหน้าที่ของเราปกป้องบ้านเมืองปกป้องทำให้คนจานวนมากอยู่เย็นเป็นสุขทุกครั้งที่จะเหนี่ยวไกลเนี่ยเหนี่ยวไกลปืนนะให้เจริญเมตตาไว้ ให้หลบไปนะหลบไปให้พ้นนะถามว่าไปยิงก็บาปไหมบาปแต่องค์ประกอบองค์ประกอบเนี่ยแตกต่างกันแล้วอย่างป้านติบาตองค์ประกอบของมันก็คือรู้ว่านี่เป็นสัตว์รู้ว่าสัตว์นี้มีชีวิตอยากให้สัตว์นี้ตายลงมือก็ทําแล้วสัตว์นั้นตายอันนี้รู้ว่าคนรู้ว่ามีชีวิตใช่ไหมแต่ไม่ได้อยากให้เขาตาย กรรมที่องค์ประกอบไม่ครบเนี่ยเขาเรียก <c oughs> ว่ากระตากกรรมกระตากรรมเนี่ยมันจะให้ผลต่อเมื่อไม่มีกรรมชนิดอื่นจะให้ผลแล้วเป็นกรรมเล็กน้อยนั่นเป็นอยู่ที่การวางใจของเรานะ่วนเราวางใจว่าเราไม่ให้คนชั่วรู้ข้อมูลบางอย่างโซนอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาจะทำความเดือดร้อนให้คนอีกเยอะเลยตัวเขาเองก็จะร้อนไปด้วยเร่าร้อนล้วก็ทำบาปหนักกว่าเก่าอีกอะรเงี้ย เน่ยวางใจอย่างนี้น้ําหนักของกรรมนี้จะลดลงไปเยอะเลยองค์ประกอบไม่ครบแล้วเขาเรียกว่ากตัดตากรรมไม่ใช่ไม่ใช่ข้าวลูกกรรมไม่ใช่ารรใชอาจินะกรรมอาจินะกรรมหมายถึงกรรมที่ทำํำจนคุ้นเคยนะเช่นโกหกจนเคยชินโกหกทุกคําพูดเคยชินเพราะมันอยู่ที่การวางใจนะถ้าถ้ามีสติปัญญามากก็ เ, เหมือนพระองค์นั้นนะถ้าลดลงมาหน่อยนะ ใช้วิธีอย่างภาษารีบุตรเนี่ยลีบุตรหลอกให้มันเข้าใจผิดเพื่อประโยชน์ของเขาเองแต่ท่านก็ไม่ได้พูดโกหกใช่ไหมอยู่ที่ชั้นเชิ ง, งท่านหรือทําอะไรไม่ได้จริงๆนะก็เปลี่ยนจากกรรมที่แรงให้มันเป็นกระตัตรกรรมแล้วกุศลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันแรงกว่ากรรมที่เป็นกระตัตรกรรมคล้ายๆมันได้บุญแค่นี้แล้วมันมีบาปแค่นี้มันไม่ทันกัน มันมปอยู่ที่การวางใจของเราเอ่วันนี้ไงเทศเป็นเรื่องโกรธแห่งกรรมอาคุณมลส่งกันบ้านมันมัวๆค่ะหลวงพ่อมันไม่ค่อยตั้งมั่นค่ะใจเราไม่ได้รุ่มร้อนทุรนทุรายกับความมัวดีแล้วใช่ดีแล้วแต่มลมีกังวลค่ะหลวงพ่อแต่มลก็พยายามอยู่ที่จะดูมันเป็นปกติ เนี่ยไปอยากให้หายแต่ที่หลวงพ่อสอนเมื่อกี้มนมลชอบมากเลยค่ะที่หลวงพ่อพอบเมื่อกี้มันตรงมลอะไรนะที่หลวงพ่อสอนเมื่อกี้ค่ะที่สอนชมพูเมื่อกี้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ <laughs> พยายามจะวางใจให้มันไม่บาปมากเห <laughs> มือนมีคนหนึ่งนะมีอาชีพเลี้ยงกุ้งเวลามาที่นี่ก็กมาเล่าให้หลวงพ่อฟังว่ามีอาชีพเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงปลานะเปลี่ยนจากเลี้ยงกุ้งมาบอกเราว่าเลี้ยงปลา อ, อคงรู้สึกว่าค่าปลามันน้อยกว่าค่ากุ้งดูสิได้แถมโกหกาาก็มีข้อนึ่งบอกหลวงพ่อว่าเราหนูคงภาวนาดิฉันคงภาวนาไม่ได้หรอกดิฉันเลี้ยงปลาภาวนามไม่ได้บอกว่าเวลาเลี้ยงปลาเราไม่ได้ค่าปลาตลอดเวลานะ ตอนที่เลี้ยงปลาให้อาหารปลาอะไรเนี่ยทำใจให้เป็นกุศลไหมเออโตเร็วๆนะแต่อย่าคิดต่อนะว่าฉันจะได้เอาไปขาย <c oughs> ให้เธอได้อยู่ดีมีความสุขนะเวลาที่ยังไม่ได้ฆ่าสัตว์ก็ถือศีลไวนะ้ไอตอนที่ไปฆ่าสัตว์นะถ้าเลี้ยงได้ก็เลี้ยงนะอาชีพบางอย่างนะหลีกได้ก็หลีกซะยังหลีกไม่ได้ก็ต้องวางใจให้ดี อย่างเวลาเราผิดศีลไม่ใช่ผิดยีิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมช่วงไหนที่ยังไม่ได้ผิดศีลก็มีศีลไว้สิตั้งใจรักษาศีลไว้ตอนมันขาดก็ขาดเป็นช่วงๆแล้วก็รีบตั้งใจรักษาใหม่ดูเหมือนหลอกๆนะแต่มันอยู่ที่ใจจริ ง, รงคือถ้าใจย้ำคิดย้ำทำว่าโอ๊ยวันนี้ฉันค่ากุ้งหนึ่งล้านตัวอีกสามเดือนไม่ได้ค่ากุ้งสักตัวเลยก็คิดว่าค่าวัละล้านกรรมมันไม่เท่ากันหรอก งั้นจะถือศีลจะปฏิบัติธรรมอะไรนะต้องฉลาดต้องฉลาดแต่ไม่ใช่เจ้าเล่ห์นะไม่เหมือนกันตอนหลวงพ่อเป็นนักศึกษาบวชอยู่วัดชนประทานพวกพลารุ่นพี่ชอบสอนเฮ้ยถือศีลอย่าศีลละพระตาปรามาทนะต้องถืออย่างฉลาดฉลาดไปฉลาดมาเราสังเกตมันฉลาดแกมโกงนะ อย่างฉันอาหารใช่ไหมฉันติดพันไปเรื่อยๆมันไม่ใช่นะเอออย่างเงี้ยมีการสอนด้วยนะสอนรุ่นน้องพวกนี้บาปหนาคือตัวเองทำผิดแล้วสอนให้เขาทำผิดด้วยอคุณพุธ ว, วันนี้กดข่มแต่ก็มีความสุขนะเออกดล้ไ ว, วาไไ ด, ดีดีที่รู้นะอะไรก็ได้คุณพจน์เป็นไง ก็เมื่อวานที่หลวงพ่อชี้ให้ดูพระพุทธรูปไปนะฮะก็ถ้าหลวงพ่อไม่ชี้ก็จะจะสังเกตไม่เห็นคืออย่างบางทีมองอะไรสักอย่างนึ่งแล้วจิตมันจะจนไหลเข้าไปเวลาที่มองนะจิตก็ไหลไปทางตาเวลาที่ฟังจิตก็ไหลไปทางหูเวลาที่คิดจิตก็ไหลไปทางใจไหลไปในใจงั้นจิตเราจะไหลตอหลอดเวลาโดยที่เราไม่เห็นนี่เรียกว่าส่งเกียรออกนอก นี่ส่งไปทางตาเนี่ยาตามองเห็นรูปสังเกตไหมใจเฉยเฉยเวลาเรามองรูปอย่างมองหลวงพ่อรู้สึกไหมใจ <Okay. S 1> เราเฉยเฉยเพราะอะไรเพราะจิตดวงที่เห็นเนี่ยจิตดวงที่เห็นที่เรียกว่าจากักขุวิญญาณจิตมันมีอุเบกขาเวทนาอัตโนมัติเลยจิตที่มองเห็นนี่ไม่มีสุขมีทุกข์สุขทุกข์มันมาอยู่ที่ใจเรานี่ <Okay. S 1> สุขทุกข์อยู่ที่กายกระใจสุขทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นอย่างลิ้นกระทบรสสังเกตไหม ใจจะเฉยๆตอนที่กระทบนะตรงที่รู้กระทบจะเฉย ๆ, ๆตรงที่ได้ยินเสียงก็เฉยๆแต่หลังจากนั้นจะมาแปลก่อนพอแปลแล้วไ อ, อ้นี่เสียงชมนี่เสียงดา่าใจถึงยังไม่เฉยเฉนะนั้นตาหูจมูกลิ้นกระทบอารมณ์เนี่ยมันเป็นแต่ว่าสักว่ากระทบสักว่ากระทบไม่เกิดบุญเกิดบาปอะไรแต่สิ่งที่ตามหลังมันมานะั่นแหะนะมีบุญมีบาปนะตรงที่ตาหูจมูกลิ้นกระทบอารมณ์นะเป็นแค่วิบากเป็นผลของกรรมเก่า ไม่มีนัยยะอะไรไม่ต้องใส่ใจมากให้ใส่ใจตรงที่ว่าพอกระทบแล้วมันเกิดยินดียินร้ายตามหลังมานะตัวนี้อะลรจิตเราจะเกิดกุศลเกิดอกุศลเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วขึ้นมาเราคอยรู้ทันอีจริงๆนะงั้นตามมองเห็นรูปเห็นได้ไม่ใช่ไม่เห็นบางคนภาวนานะหนุ่มๆไม่กล้าเห็นสาวนะเจอสาวต้องก้มๆงุ๊ดๆอะไรอย่างนี้อย่างนั้นชะอบกลัวกิเลสมากไป อันนี้พระไม่เกี่ยวนะพระต้องไม่เห็นไว้ก่อนแต่โยมนี่เห็นได้เห็นแล้วอู้ใจมันชอบก็มารู้ว่าชอบไม่ใช่ไปเห็นสาวปุ๊บนี่คือรูปไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์บางคนชอบพูดดังๆด้วยนะไปเห็นนี่คือรูปไม่ใช่คนถูกเขาตีตายเลยเนาะไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เพราะฉะนตาหูจมูกลิ้นกายใจเนะี่ยให้เข้ากระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาตินะ ให้เขาทำงานไปหน้าที่เราตามดูการทำงานของเขาตามการดูการทำงานของจิตใจไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งจะเห็นกระบวนการทำงานของจิตที่เรียกว่าปฏิจจสมุ ป, ปบาทจะเห็นไปเรื่อยวันใดเห็นแจ้งปฏิจจสุปปบาทนะั้นเข้าถึงธรรมะอีกอย่างนึงคือถ้าถ้าสมมติว่าไม่รู้ว่าจิตมันไหลไปจับที่รูปนะฮะสภาพหนึ่งมันจะมันเหมือนบมันเฉยเฉยแต่มันมีความสึกแบ มันมีมันมีแรงดูดนะฮะรู้สึกมันมันจะซึมซึมไป อ, อย่างแบบโมหะคลุมมันมีโมหะเพราะอะไรเพราะว่าตามองเห็นรูปเนี่ยเกิดอุเบกขาเวทนาพอมีอุเบกขาเวทนานะโมหะก็แทรกเนี่ยกระ บ, บวนการของจิตมันเป็นเงี้ยถ้าเกิดสุขเวทนานะราคะก็แทรกเกิดทุกขเวทนาโทสะก็แทรกเฉยเฉยสักพักก็เบลเบลไปเลยเลเโมหนะมันแทรกรับ สังเกตว่าพวกที่มันหลงเนี่ยมันเกิดจากสัญญาเก่าๆแล้วมันก็ปรุงขึ้นมาอันนี้มีสองสอันนะความหลงมันเป็นสังขารใจมันชิดปรุงแต่งไปสิ่งที่เป็นตัดใ จ, จของสังขารนี่คือสัญญาและเวทนามีสองอันสัญญาเนี่ยข้อมูลเก่าๆให้มาแล้วใจเราก็หลงไปเวทนาเนี่ยเป็นการกระทบใหม่ๆ อย่างพอมันกระทบสมมติเดินเดินไปโดนก้อนหินก้างหัวเป้งเข้ามาเนี่ยมันเจ็บขึ้นมานะโทรสามก็ขึ้นไม่ทันจะทําอะไรมากนะั้นก็ขึ้นแล้วเฉะนั้นท่านถึงเรียกสัญญาและเวทนาเนี่ยว่าจิตตสังขารเป็นสิ่งที่ไปปรุงแต่งจิตไปปรุงแต่งให้จิตคิดนึกปรุงแต่งขึ้นมาเะนั้นเห็นได้ท่อนหนึ่งเห็นแล้วว่าสัญญาทําให้ปรุงแต่งอันนี้หรือเปล่าที่หลวงปู่มั่นเรียกว่า ไอ้ความลงนี่มันเป็นอะไรนะถิติภูตังญญที่บอกว่าเป็นพ่อแม่ของอวิชชาท่านท่านบอกว่าถิติภูตังถิติภูทัง<ม>คือธาตรู้ซึ่งไม่ฉลาดไม่ใช่ตัวสัญญาอะไรหรอกแต่สัญญาเป็นแค่เลขกลนเป็นอุบายของกิเลสสัญญาพาให้บนนท่านบอกอย่างเงี้ยสัญญาพาให้บนท่องได้ไหมหลวงพ่อแต่กอดจําได้ไหลายบ้างนิดนิดได้หรอ สัญญาพาให้วนคือพาให้ปรุงแต่งไม่เลิกวนเวียนไปให้รู้ทันลงไปว่าใจปรุงแต่งไม่ใช่ไปฝึกให้ไม่มีสัญญานะเหมือนไม่ต้องไปเพ่งใส่ตัวสัญญาถ้าเพ่งใส่ตัวสัญญาเดี๋ยวสัญญาวิปลาสให้รู้ว่าปรุงแต่งเนี่ยใจหนีไปคิดใช่ไหมให้รู้ว่าใจปรุงแต่งคือใจหนีไปคิดนะมีอะไรเปล่าไม่มีแล้วฮะ เบอร์เท่าไหร่อิสรภาพเดินสู่อิสรภาพมาจากไหนคนนี้จริงๆแล้วมากับเพื่อนนะครับไงลงมานั่งหน้าใครเขาหลอกเขา่เนี่ยเคยฝึกไหมไม่ได้ฝึกจริงจังนะครับคือเพื่อนมาก็เพื่อนก็พูดให้ฟังนะครับแต่ก็พยายาม<ๆ>ก็พยายามดูอยู่ครับนี่เขาใส่เสื้อนะเสื้อเขาดีนะเดินสู่อิสรภาพ จริงๆพวกเราภาวนาเนี่ยเพื่อจะไปสู่อิสระภาพถึงว่าหนึ่งเราเป็นอิสระในขณะที่คนทั้งโลกไม่มีอิสระแล้วคนทั้งโลกตกอยู่ใต้อิทธิพลของสิ่งอื่นหรือคนอื่นอย่างเราต้องอยู่กับคนนี้เราถึงจะมีความสุขงั้นเราต้องเอาใจคนนี้เราต้องเสียอิสรภาพไปบางส่วนอย่างพวกที่แต่งงานรู้สึกไหมวันไหนแต่งแล้วสูญเสียอิสรภาพรู้สึกไหม เ, เสียอิสรภาพไปบางส่วนเพื่อจะได้บางอย่างมาเย เพราะฉนั้นอิสระภาพของชาวโลกเนี่ยไม่ใช่อิสระที่แท้จริงไม่ไ ม, ไม่ไม่มีอะ่ะอิสระภาพไม่มนะีแต่ว่าถ้าเราภาวนาไปด้วยนะวันหนึ่งใจเราไม่ได้เกาะเกี่ยวอะไรเรามีความสุขอยู่ด้วยตัวของเราเองได้นะเรารู้สึกเลยเราอิสระลวแต่ว่าก็ภาวนากันหลายปีหน่อยนะแต่ละวันแต่ละวันก็ให้ใจมันอิสระมากขึ้นมากขึ้นก็ยังดียนะ ให้ทิศทางของมันดีขึ้นดีขึ้นใช้เวลาค่อยๆเรียนรู้จิตตนเองไปจนรู้เลยจิตนี้ไปติดไปข้องไปยึดไปถือสิ่งนนสิ่งนี้แล้วจิตก็ไม่มีอิสระภาพจิตมีความทุกข์ขึ้นมาคนในโลกอยากอิสระนะอยากทำอะไรได้ตามใจอยากมีเสรีภาพไม่มีจริงเราถูกอะไรต่ออะไรจำกัดเราไว้เยอะเลยต้องอยู่กับคนนี้ถึงจะมีความสุขต้องได้กินนนี้ถึงจะสุข ต้องได้กินอย่างนี้ต้องถึงจะเป็นสุขเนี่ยตกเสียอิสระภาพเพราะอาหารละเพราะรถต้องไปฟังเพลงนี้ถึงจะมีความสุขเนี่ยนักร้องคนนี้ชอบต้องฟังคนนี้ตกเป็นทาสให้คนนี้ละต้องหาเงินไปซื้อเทปมันมาละหรือต้องได้วัตถุอย่างนี้มือถือต้องรุ่นนี้นาฬิกาต้องยี่ห้อนี้กระเป๋าต้องอย่างนี้ไม่มีสรภาพชีวิตพึ่งพาสิ่งภายนอก เกินจําเป็นไปเยอะแยะเลยเหนื่อยถ้ามนุษย์เราฉลาดนะพออยู่พอกินพอเพียงอย่างที่ในหลวงสอนเราจะไม่เหนื่อยเท่านี้หรอกทุกวันนี้เราต้องผลิตมากทํางานมากนะเพื่อจะไปบริโภคของส่วนเกินซึ่งไม่ค่อยมีประโยชน์เลยหลายคนทํางานหนักนะไม่มีเวลาพักผ่อนเครียดต้องไปหาหมอซื้อยาแก้เครียดมากินใช่ไหมทำงานเพื่อจะไปซื้อยาแก้เครียดมากิน หรือทำงานจนไม่มีเวลาออกกําลังกายเนี่ยต้องเสียสตังนะไปเข้าฟิตเนสอะไรเงี้ยนะร <c oughs> วมความนะเอาเอาเวลาในชีวิตของเราไปทามาหากินเต็มเหนียวเลยจนตัวเองโทมไปทุกๆด้านนะทั้งกายทั้งใจแล้วก็เอารายได้ที่ได้มานี่นะมาแก้ความโทมของกายของใจใช้ชีวิตที่น่าสงสารอย่างเลยแต่ถ้าไม่ใช้ชีวิตยอย่างนี้คลเขาก็ดูถูกอีก <c oughs> เธอเ น, นี่ไม่มีปัญญาเนี่ยถือกระเป๋าถูกจังเอาอย่างพระสิถือย่ามไป <c oughs> ไหนก็ขิ้วย่ามไปนะชุดเดียวเที่ยวรอบโลกเลยพระนะกินข้าวก็กินวันละบาทนะวันละบาดเดียวจริงชีวิตคนเราต้องการอะไรไม่เยอะเท่าไหร่หรอกแต่ความต้องการของตัณหาเนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดมันเลยเหนื่อย แต่ถ้าเราหัดดูจิตดูใจรู้ทันปัญหานะปัญหาดับลงไปเราจะดำารงชีวิตด้วยเหตุผลแล้วแค่นี้พอแล้วนะอย่างใครมาเล่าให้ฟังก็ไม่รู้ว่ามีรถคาระยี่สิบห้าล้านะแล้วไปเติมน้ำมันไหมเติมผิดประเภทรถพังรุ่มใจนะรุ่มใจไอ้คนที่เติมน้ำมันก็ลุ่มใจหนักเขาอีก แต่วาทำไมคนเราต้องใช้รถคาระยี25ล้านเนี่ยใช้คาระสี่ห้0 0 0 0ได้ไหมใช้ไม่ได้เพราะว่าที่นั่งไปในรถไม่ใช่แต่ร่างกายนะไม่ได้เอาก้นไปอย่างเดียวเอาหน้าไปด้วย <c oughs> เลยต้องนั่งแพงหน่อยถ้าเราใช้ชีวิตโดยการรู้ทันใจของเราเราจะใช้ชีวิตสมเหตุสมผลเราจะไม่เหนื่อยเท่านี้หรอกคนทุกวันนี้เหนื่อยเกินไป เครียดนะแล้วก็ชีวิตไม่เห็นอนาคตเลยแต่ละปีแต่ละปีนะรอช่วงวิกเอนหรือไม่ก็รอชลาลาพักผ่อนเก็บวันลาไว้เหนื่อยแทบตายเลยเพื่อจะได้พักผ่อนไม่กี่วันอเงี้ยเคยมีหลวงพ่อเคยอ่านหนังสือเรื่องหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งนะแกเอาไปจับปลานิดนิหน่อยหน่อยนะกลับมานอนมีเสร็จทีมันไปเที่ยวแถวนั้นไปเห็นเข มันก็บอกเลยเอ๊ยยูทําไมโง่อยู่ทําทไมไม่เพิ่มชั่วโมงทํางานขึ้นจับปลาให้นานไม่ใช่จับชั่วโมงสองชั่วโมงพอกินแล้วเลิกนะอยู่จับให้เยอะๆสิถามว่าจับเยอะเพื่ออะไรอ้าวจะได้มีเงินเหลือนะจะได้มีเงินเยอะๆขึ้นพออยู่มีเงินเยอะนะอยู่อย่าโ ง, ง่นะอยู่ต้องไปซื้อเรือที่โตกว่านี้อยู่จะได้จับปลาได้เยอะกว่านี้กเนี่ยก็แนะเข้าไปเรื่อยนะ แต่นี่ก็นั่งฟังไปแล้วยังไงอีกอะ่ะบอกว่าต่อไปนะยูไม่ต้องทำเองอยูก็เป็นเจ้าของกิจการมีเรือหลายลำนี่มีลูกน้องทำยูบริหารไปะสุดท้ายจะได้อะไรบอกตอนอยูแก่ๆยูจะมีเงินเก็บก้อนเบ้อเร้อเลยแล้วอยูจะได้ใช้ชีวิตที่มีความสุขมากเลยทุกวันอยูจะมีเวลาไปนั่งริมทะเลตกปลานะมีความสุขบอเฮ้ยตอนนี้ฉันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะฉัน <laughs> เป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว รูคนเราถูกอะไรหลอกก็ไม่รู้อย่าโง่มากนะโง่นิดหน่อยพอทำไมธรรมามันเป็นอย่างนี้ไปหมดวันนี้ก็ตอนนี้คือเห็นการเกิดดับที่นุ่มนวลลงอะค่ะปกปกติพอไรเห็นปุ๊บมันมันไปกระตุกบางครั้งเข้าใจว่าไปเพ่งมันพอเห็นพอถ้าถ้าอยู่นระหว่างที่แบบ ใจเป็นกลางปุ๊บจะเห็นดับอย่างแบบนุ่มนวลนะคเวลาเราภาวนานะหัดใหม่ๆเนี่ยวูบวา่าบนะทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาแหละอย่างสมถะเวลาภาวนาไปแล้วจิตรวมเนี่ยถ้าหัดใหม่ๆนะเหมือนตกเหวเลยหล่นวูบเลยใจหายเลยนะเสียวท้องน้อยเลยแบบหล่นเราภาวนาทําสมถะชํานาญเวลาลงอย่าลงนิ่มๆลงนิ่มวิปัศนาก็เหมือนกัน ตอนนึงคือถ้าสมมตินั่งสมาธิซึ่งจะดูเวทนานะ่คะขณะดูเวทนาปุ๊บจิตเกิดขึ้นมาพอ ม, พ, อมพอมีความคิดขึ้นมาอย่างเงี้ยคะ่ะมันมันจะสัมพันธ์กับเวทนาไปอะคะ่ะแล้วมันก็จะเห็นความคิดเกิดขึ้นดับไปแล้วจิตก็จะไม่ปรุงขึ้นมามแต่เมื่อไหร่ที่เผลอจิตไปปรุงปุ๊บกายหายเวทนาก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปนะะอะค่ะได้ดีแล้วเดี๋ยวได้แค่นี้ก่อน